หมออวุโสท่านหนึ่งนะท่านได้เล่าว่ามันมีเหตุการณ์สามอย่างที่ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านนะยังไม่เหมือนเดิมต่อไปเหตุการณ์แรกคือตอนที่ท่านเป็นนักศึกษาแพทย์ปีสระหว่างที่ตรวจคนไข้กับรุ่นพี่นักศึกษาแพทย์ปีหรุ่นพี่ก็กําชับให้ เก็บปัสสาวะของคนไข้แล้วไปส่งตรวจแต่บกวันนักศึกษาปีสเนี่ยลืมว่าร่วนขึ้นอาจารย์แพทย์มาตรวจคนไข้คนนี้และพอรู้ว่าไม่ได้มีการเก็บปัสสาวะไปตรวจก็ถามว่าทำไมใครลืมที่นักศึกษาแพทย์ก็เตรียมจะตอบไปแล้วว่าผมลืมครับ บอกว่ารุ่นพี่เนี่ยปีหกเนี่ยกับออกรับแทนบอกว่าขอโทษครับผมลืมสั่งนักศึกษาปี4ีให้เก็บปัสสาวะส่งตัวอาจารย์ก็เลยต่อว่านักศึกษารุ่นพี่คนนั้นอาจารย์ก็เป็นคนที่เรียกว่าดุอยู่แล้วนะแลวเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องสำคัญมากลืมได้ยังไง ก็ต่อว่านักศึกษารุ่นพี่เนี่ยส่วนนักศึกษาพีศีเนี่ยก็เห็นเหตุการณ์แล้วก็รู้สึกผิดอย่างแรงนะพออาจารย์ไปแล้วนี่แกก็ตรงมาเพื่อที่จะขอโทษรุ่นพี่เพราะความผิดเนี่เป็นของแกเองไม่ใช่เป็นของรุ่นพี่แต่รุ่นพี่คนนั้บอกว่าเฮ้ยทำอะไรนักแกเนี่ย ความผิดของรุ่นน้องก็เป็นความรับผิดชอบของรุ่นพี่พี่ผิดเองโเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่รุ่นน้องประทับใจมากเหตุการณ์ที่สองเนี่ยเมื่อนาสาภาพคนนั้นเนี่ยขึ้นปีที่หกขณะที่อยู่ในห้องฉุกเฉินก็มี ผู้ชายคนนึงเนี่ยเอ็นขาดนะเลือดเต็มมือเลยเต็มแขนเลยแล้วก็มายืนคุยกับหมอหน้าห้องผ่าตัดบอกหมอว่าเนี่ยหมอผมไม่มีเงินจ่ายนะครับค่าผ่าตัดนะหมอบอกว่าไม่มีเงินไม่เป็นไรนะผ่าตัดก่อน แล้วหมอนี่กนะ็รีบพาคนไข้นี้เข้าห้องผ่าตัดเลยนักศึกษาแพทย์คนนั้นเนี่ยบอกว่าตกลงวันนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าโรงพยงบาบาลได้เงินจากคนไข้หรือเปล่าแต่ที่แ น, น่ๆคือคนไข้เนี่ยได้รับการผ่าตัดปลอดภัยการณที่สามเนี่ยนักสาวนี้ก็ได้กลายเป็นแพทย์อินเทอร์แล้วนะ เลือกแพทย์สืบขัดขณะที่กำลัง เ, เยี่ยมคนไข้กับอาจารย์อาจารย์นี่เป็นที่ปรึกษาแล้วก็มาซักประวัติแล้วก็ตรวจดูร่างกายเสร็จแล้วนี่ปรากว่าโรงพยาบาลเนี่ยหรือพนักงานเนี่ยก็เอา ถาดอาหารมาให้คนไข้เป็นถาดหลุมคนไข้นี่เป็นชาวพมานะากก่านะจะกิงข้าวนิดเดียวนะแล้วก็ส่งถาด น, นั้นเนี่ยให้ลูกชายตัวเล็กๆ ล, ลูกชายนี่กินอาหารจนหมดถาดเลยไม่เหลือเลยทั้งหมดนี่อาจารย์แพทย์นี่เห็นนะ ก็ได้ถามคนไข้ชาวพม่าเนี่ยกินอิ่มเหรอเอาเห็นกินนิดเดียวคนไข้พม่าตอบว่ากินอิ่มจ้านะหมอก็ไม่ว่าอะไรแล้วก็บอกให้แพทย์ฝึกหัดเนี่ยนะคือคนเล่าเนี่ยอา้าวช่วยจดออเดอร์แล้วก็สั่งยานะหมอก็สั่งยาไปสั่งยาหลายตัวเลย แล้วก็ปิดท้ายว่าอาหารโรงพยบาบาลสำหรับคนไข้เตียงนี้ให้เพิ่มเป็นสองถาดนะทุกวันแล้วก็วงเล็บเก็บเงินที่ผมผม น, าาานักษาแพทย์นี่ประทับใจมากเลยนะอาจารย์มีความแม่ตากรุณามาก ทั้งสามเหตุการณ์เนี่ยมันเป็นบทเรียนสำคัญนะที่ไม่มีสอนในโรงเรียนแพทย์แต่ว่าสอนจากการประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างคนหนึ่งเป็นรุ่นพี่ที่พร้อมที่จะรับผิดชอบแทนรุ่นน้องนะยอมปกป้องรุ่นน้องนะแม้ว่าจะถูกอาจารย์ด่า ก็ถือว่าเป็นความเสียสละไม่หวงแหนเรื่าหน้าตาเลยนะยอมให้อาจารย์ด่าอาจจะเสียคะแนนแต่ว่าทำเพื่อรุ่นน้องรุ่นน้องยังเด็กยังไม่รู้เรื่องยังไม่รู้จักรับผิดชอบดีรุ่นพี่ก็ปกป้องส่วนสองเอุการณ์นี้เนี่ยเรียกว่าหมอเนี่ยนะมีน้ำใจมีน้ำใจต่อคนไข้มีเงินไม่มีเงินก็พาก่อน รักษาตัวก่อนและเรื่องเงินเอาไว้ทีหลังเพอเพบางทีหมอเป็นคนจ่ายเองก็ได้เหมือนกับกรณีที่สามเนี่ยนะถาดอาหารสองถาดนี่คนหนึ่งสำหรับผู้ป่วยซึ่งเป็นแม่อีกคนหนึ่งสำหรับลูกหมอคงเห็นสา ร, รูปนะของเด็กและนะ้วนะพร้อมนะแสดงว่ายากจนก็เลยนะสั่งอาหารมาให้ทั้งแม่ทั้งลูก ก็มาเก็บเงินกับหมออันนี้ก็เป็นความเมตตาความมีน้ําใจซึ่งประทับใจคุณหมอท่านนี้มากคุณหมอท่านนี้ต่อไปนะัก็เป็นหมอใหญ่ที่มีชื่อนะเคยเป็นอธิการบดีของมอญในเชียงใหม่นะคุณหมอกเกษมวัฒนะชัยซึ่งภายหลังก็เป็นองคมนตรีนะตอนนี้ก็เป็นองคมนตรีก็ถือว่าเป็นผู้ชนะบุคคลนะ ในวงการแพทย์ในท่คุณหมอบอกนะว่าเนี่ยสามเหตุการณ์นี้เปลี่ยนแปลงช่วยคุณหมอไปตลอดกาลเลยคนเราเนี่ยเวลาทําความดีเนี่ยเราจะไม่รู้เลยนะว่าความดีของเราเนี่ยมันสามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นได้อย่างสามท่านเนี่ยนะรุ่นพี่ปีหกแล้วก็คุณหมอสองคนเนี่ย อาจจะไม่ทราบเลยนะว่าการกระทําของตนเนี่ยนะมันสามารถที่จะเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจหรือสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาเด็กๆคนหนึ่งได้ซึ่งภายหลังก็กลายเป็นแพทย์ใหญ่แพทย์อาวุโสหลายคนเนี่เวลาทําความดีแล้วก็รู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจว่าทําดีแล้วไม่มีผลนะทําดีแล้วไม่สําเร็จอย่างที่ต้องการแต่จริงๆอาจจะไม่รู้เลยนะว่า ความดีที่ดวงทำเนี่ยนะแม้เพียงเล็กน้อยนี่มันสามารถที่จะส่งผลกระทบนะต่อชีวิตจิตใจของคนบางคนที่เห็นเหตุการณ์ได้สามเหตุการณ์ที่ว่าไปก็เป็นเรื่องเล็กน้อยนะสำหรับเจ้าตัวเนี่ยที่เป็นหมอที่เป็นนักศึกษาพแพทย์ปีหกแต่ว่าเป็นเรื่องใหญ่นะที่มันสามารถที่จะเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจนะของนักศึกษาหนุ่มได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทําความดีเนี่ยเรา ก็อย่าไปคิดนะว่าความดีที่เราทำไม่มีผลมันมีผลแต่เราอาจจะไม่รู้ว่ามันสามารถจะไปสร้างความเปลี่ยนแปลงกับชีวิตของใครที่เราอาจจะรู้จักหรือไม่สังเกตก็ได้